เมตตาบารมีการล่าสัตว์เป็นสิ่งไม่ดีมันยิ่งทำให้อายุสั้นหวาดกลัวทนทุกข์เหมือนตกนรกดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงจากการฆ่าผู้ที่ชอบทำให้ผู้อื่นหวาดกลัวคือผู้ที่ชอบมุ่งร้ายต่อชีวิตอื่นเหมือนกับงูที่ชอบพ่นพิษตัวมันเองก็เต็มไปด้วยของที่ไม่บริสุทธิ์ เชกเช่นชาวนาย่อมยินดีดีใจอย่าเมื่อประสบพบเห็นเมฆฝนก่ อ, กอตัวผู้ที่ทำให้ผู้อื่นยินดีดีใจอย่าเมื่อประสบพบเจอกันคือผู้ที่มีจิตใจงดงามดังนั้นบุคคลจึงควรรักษาศีลอยู่เสมอและงดเว้นสิ่งตรงกันข้ามหากเธอและโลกปรารถนาที่จะไปในทางแห่งความหลุดพ้น รากฐานที่สำคัญคือความศรัทธาอันมั่นคงดุดขุนเขาต่อความรู้แจ้งหลุดพ้นเพื่ออย่างประโยชน์แก่ผู้อื่นและสรรพสัตว์มีความเมตตาการุณาต่อทุกผู้ทุกนามทุกสรร พ, พชีวิตอย่างมิแบ่งแยกและมีปัญญาที่จะไม่หลงยึดติดในความเป็นคู่ทั้งหลายรูปกายของพระพุทธเจ้านั้นเกิดจากการสะสมบุญบา ร, รมีอันยาวนาน โอ้พระราชาส่วนธรรมกายของท่านนั้นเกิดจากการสะสมปัญญาอันยาวนานและพระบุญบารมีและปัญญาอันไร้ขอบเขตนั้นเองที่สามารถกำจัดทุกข์ทั้งทางกายและทางใจได้อย่างรวดเร็ว